วันนี้ต่างคนต่างเหน่วยเทศเขาหน้ากลัวจะกล่องให้หลับในวันนี้เทศวัดดอยวันนี้เทศตามสถานที่ของผู้ปฏิบัติจนเทศเช่นนั้นเหมาะสมกันพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกสั่งสอนให เกิดความอาจหันหน้าเลมต่อการปฏิบัติไม่ท้อถอยอ่อนแอบางองค์ยังสำเร็จนักผลนิภาณในปากเสือก็อยังมีในครั้งพุธการแต่แน่ใจว่าท่านผู้สำาเร็จในปากเสือนั่นคือท่านผู้ที่มีภูมิสูงเจนจะถึงที่สุดแล เพราะฉะนั้นอะไรจริงเป็นธรรมไปหมดแม้แต่เสือมนกกัดท่านกำพิจารณาเป็นธรรมจนสำเร็จในปากเสือทำไมถึงทราบได้ว่าท่านสำเร็จในปากเสือก็คือพระพุทธเจ้าเป็นรับสั่งเองประการหนึ่ง ท่านองค์นี้ก็เข้าใจว่าได้เคยถวายทูนทุนถวายธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วทางด้านจิตใจว่ามีภูมิธรรมขนาดไหนไปบำเพ็ญอยู่กับเพื่อนองค์หนึ่งขนาดเสือโดดมากัดนั่นเพราะยัง้องบอกเพื่อนได้ว่าเวลานี้เสือกัดผมแล้วหวัง ทางเพื่อนก็ตะโกนบอกมาให้ท่านให้พิจารณาให้เป็นธรรมมันเป็นกรรมของท่านเองสั่งพอจากนั้นมาก็ประเงียบไปเลยพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเองว่าเธอทําเ็ลในปากเสือในขณะที่เสือกัดพิจารณาเรื่องทุกข์ัดจคือทุกขเวทนานั่นเอง เ, เสือก็ไปกินเนื้อหนังเป็นสิ่งที่ควรแก่เสือแต่มรฟุนิพานควรแก่ท่านท่านก็รับไปไม่มีใครขาดทุนการปฏิบัติธรรมะเพาะ อ, อย่างยิ่งนักปฏิบัตินักบวช พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ไปอยู่ในที่เปลี่ยวในที่ที่จะมีสติขึ้นในที่จะกําจัดความขี้เกียจอ่อนแอได้เพราะการอยู่สถานที่ต่างๆนั้นความรู้สึกของผู้อยู่นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยคือไปอยู่สถานที่นี้มีความรู้สึกอย่าง ย้ายไปอยู่สถ า, านที่นั่นจะมีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาเป็นลํำลับลำดาไม่สิ้นสุดความรู้สึกธรรมดาเหมือนเราอยู่กับหมู่เพื่อนนี่ทางความเพียรก็ไม่ค่อยดีไปอยู่ที่เปลี่ยวโดยลําพังตนเองและที่เปลี่ยวเปลี่ยวความรู้สึกตั้งนึกว่าตั้งตัวตั้งสติสตังนี่มันก็เป็นมาเองความที่เกียดค่อยหายไปหายไปเพราะความจําเป็ น, นบังคับ เมื่อความจําเป็นบังคับมีเช่นนั้นสติสตังก็ามาเองความภาคเพียงเพื่อช่วยตัวเองก็ามาเองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นด้านระงับดับกิเลสแล้วจะทยอยมาโดยระดับธรรดาจากความตั้งใจนั้นๆคือตั้งใจในแง่ใดมันก็เป็นพลังในแง่นั้นที่เรียกว่าความตั้งใจนั้นๆ เราจะเห็นได้แม้ในวงปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระพอเทศจบแล้วท่านจะผู้ใดจะไปเที่ยวเยี่ยทางใดเนี้ท่านสั่งสอนให้ไปหาอยูที่เปลี่ยวเปลี่ยวโน่นเขาลูกโน่นปาโน่นไปที่นั่นแหละเป็นที่เพราะธรรมท่านว่าที่อย่างนี้มันเพราะที่เศษท่านว่ะ หินแล้วก็ น, นอนใจขี้เกียจความนอนใจก็เป็นการสังสมเกลเอความขี้เกียจก็เป็นการสังสมเกลเอไม่เหมาะสมกับผู้มาถอดถอนเหลเอสถานที่ที่นุ่นที่ป่าที่เขาโน่นเป็นสถานที่เหมาะสมกับคนขี้เกียจมีเกลเอมากๆท่านท่านสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงได้พูดถึงเรื่องธรรมะของข้าบางองค์ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่น ที่ลาท่านไปอยู่ในถ้าตั้งใจเด็ดเดี่ยวอาหารเพราะธรรมะของท่านปลุกใจให้มีความร่าเรยอดอาหารเวลาไปแล้วไปเห็นรอยเสือเหยียบอยู่หน้าถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาจนแทบจะอยู่ไม่ได้แต่ท่านก็มีสติดีท่านเท้าขึ้นไป ข้างหลังที่จะออกแต่งมามาจากท่านที่แรกแท่านจันมั่นที่แรกมีความกล้าหาญทางใจทําไมมาถึงที่นี่เพียงเห็นรอยเสียเหยียบรอยเสือมันเหยียบดินเท่านั้นเป็นรอยเห็นแต่รอยมันเท่านั้นก็กลัวแล้วเป็นกรรมาฐานได้อย่างเรากล้าหาญต่อความตายตกล้าหาญต่อธรรมทั้งปองแล้วเราถึงมาถึงที่นี่แต่เพียงมามองเห็นรอยเสือที่เหยียบ ไม้ที่หนาดำทำเท่านั้นก็กลัวตัวสั่งอยู่แล้วนี่ทําไงจะแก้กิเลสได้อย่างไรสุดท้ายทั้งเกาะมองเห็นรอยเสือทีไรมันก็สะดุดใจขึ้นมาทําให้เกิดความกลัวเลยต้องเอาเท้าไปเขียปลดรอยเสือนั่นเสียแล้วมันก็ยังไม่หายกลัวความกลัวมันก็ยังมีต้องดับสันดานตัวด้วยวิธีออกจากมุ้ง ไปนั่งอยู่ในที่ลมโลกสู้ ก, กันกับเสืออ้าออกจากนั้นก็ไปนั่งอยู่ที่หน้าเหวเลยจ้ะถ้าเผลอก็ให้ตกตรงนี้อาจะกลัวเสือหรือจะกลัวตกเหวนี้นั่งอยู่มินเหมทีเดียวถ้าว่าเผลอแล้วก็ตกตกแล้วกระดูกก็จะไม่มีเชื่อมต่อกันเลยเพราะมันหน้าผานั้งสูงจากถ้ำลงไปโน้น พอไปนั่งแล้วก็ตั้งสติอ้าวจะกลัวทางเสือคือเสือมาด้านหลังถ้าเสือมาก็มาด้านหลังความตายมีทั้งด้านหลังด้านหน้าจะไปด้านไหนด้านหลังคือเสือด้านหน้าคือเหวสุดท้ายจิตก็มากลัวตกเหวเครื่องกลัวเสือเลยเบาไปประไปจนไห้มีมากลัวตกเหวตั้ง ส, สติก็อย่างเต็มที่กลัวจะเผลอแล้วสับตะหมกแล้วก็ตกลงไปตายแหลกไปเลย พอตั้งสตินั่งภาวนาัจิตก็รวมเลยน่ะคิดดูที่รวมตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสิบโมงเช้าปีชั่วโมงนะบางทีรวมตั้งแต่ปีสองปีสามจนถึงสิบโมงเช้าถ้าวันไหนจิตรวมท่านหล่าท่านมาจยินสะบาปพอถอนขึ้นมาตะวันมันขึ้นฟ้าแล้วนะฟ้าทำไมไปเพราปกติท่านอยากชันตั้งแต่ชันมอยากชันไม่ก็ไม่ชัน ตั้งแต่บัดนั้นได้คติขึ้นมาจากพืชที่ทรมานตนแบบนี้ท่านเลยต้องหาที่เช่นนั้นะเป็นที่ทรมานคือจิตใจมันลงได้ง่ายคิดธรรมดาไมาเ่เลยกดขี่บังคับกางไล่มากมายนักหนาให้ลําบากลาบนเหมือนไปอยู่ในที่เนนั้นซึ่งมีสิ่งแวดล้อมช่วยทรมานใจแล้วจิตก็รวมลงได้ง่าย จากนั้นมาแล้วท่านบอกท่านไม่กลัวอะไรกลาคืนดึกดืน่นนี้ท่านเดินขึ้นไปบนภูเขาเดินเที่ยวไปบนภูเขาเผื่อว่าไปเจอเสือเขาแล้วจิตจะได้รวมที่นั่นทันหวังนั้นนะท่านหวังเอาจิตรวมเพราะประสบอันตรายมีเสือเป็นต้นถ้าโดยลําพัง นั่งภาวนามันจิตไม่ค่อยลงพอไปพสูตที่ต่างๆที่ตรงไหนเป็นที่น่ากลัวท่านจะอยู่ตรงนั้นท่านมาตรงเนี้ยตรงจะได้ผลแล้วก็ได้อย่างคาดอยงหมายท่านมาเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนดึกๆจึงชอบออกจากมุ่งแล้วก็ขึ้นบนเขาไปเที่นั่งภาวนาตามร่มไม้แล้วเดินตามหลังเขาอย่างนั่นท่านมา แล้วได้ผลดีน่ะนี่คือผู้ที่เห็นผลจากการทรมานตนด้วยวิธีนี้เจึงชอบนาวิธีนี้ไปใช้เสมอท่านองค์นี้เนะี่ยเป็นองค์หนึ่งที่กลัวผีมากที่สุดท่านก็ทรมานจนกระทั่งหายกลัวผีเลยแบบเดียวกันนี้ทรมานแบบเดียวกันกลัวผีท่านก็ไปอยู่ในป่าช้าไม่กลัวผีไม่ยอมหนี เอาจนกระทั่งหายตัวผีสุดท้ายก็ไปได้หมดไปท่าก็ได้ไปที่ไหนไปได้หมดเสือไม่กลัวเลยมีแต่จะให้จิตรวมด้วยเสือเท่านั้นเท่านัน้นนี่อุบายวีสุดธร ม, มานท่านธร ม, มานอยางนีมาจิตรวมนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีอันใดเสมอเนื้อกายนี้หายหมดถ้าลงได้รวมขนาดนั้นแล้ว ร่างกายไม่มีเลยในความรู้สึกจะเหลือแต่ความรู้แล้วความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ธรรมดาของเราอย่างนี้เป็นความรู้ที่ไม่ขาดไม่หมายเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติไม่มีสองกับสิ่มใดดีพอพูดได้ก็คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเท่านั้นเองนี่มีอยู่กับทุกคนเวลาถึงการมันเป็นขึ้นมาเนี่ เราไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นได้อย่างนั้นแต่ก็เป็นขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่คาดไม่ฝันนั่นแหะเมื่อศพเหมาะกอับ ด, ดังหวะจึดทรมาน ก, กันถูกต้องมันก็ลงได้เหมือนเราไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจเราก็ไม่ควรปล่อยวางได้เวลาใดวันรักเท่าไหร่ก็ให้พยายาม เพราะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือจิตไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีคุณค่าเสมอโรยจิตนี้เลยแต่ถ้าปล่อยให้เป็นประจามยะถากรรมเจ้าของไม่กลกับรักษามันก็นำความทุกข์ความร้อนมาให้แต่ถ้าเจ้าของคือสติกับปัญญาคอยกำกับรักษากดขี่หรือบังคับกันไว้ ก็ปลอดภัยความสงบสุขก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบสุขเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ใดมันก็อยู่ได้คนเรเพราะไม่มีสิ่งมายุแยบกรอบครนให้เกิดความเดือดร้อนหุ่นวายภายในใจการที่คนเป็นไข้มีความรำสั่รสายโกรธกวนกระวนนั้นก็เพราะทุกบีบคั้น แสดงอาการออกมาต่างๆเพื่อเป็นการระบายคลายทุกข์คนดีจึงมองเห็นได้ชัดว่าคนไข้หนักเป็นยังไงคนไข้ไม่หนักเป็นยังไงเพราะริยานั้นแสดงออกเพื่อการระบายทุกข์ความจริงมันก็ไม่ใช่เป็นการระบายหากเป็นนิสัยของมนุษย์เท่ันทีนี้เมื่อไม่มีทุกข์แล้วก็จะไปแสดงอาการและสัมมสายอย่างไรเล่าจิต เมื่อไม่มีทุกข์เข้าบีบคั้นบังคับความไม่แสดงอาการและสัมประสายเดือดร้อนวุ่นวายนอกจากมีทุกข์เข้าไปบีบคั้น บ, งบังคับเท่านั้นเองจึงเป็น <S <S <S <S การฝึกอรมจิตใจจึงเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นข้าศึิต่ จ, จิตใจให้หายหรจางไปโดยลำดับเพื่อจิตก็จมีความสงบร่มเย็นต่อตัวเองและก็ น, นําความสิตมาให้ มีการฝึกผลอบรมนี้เท่านั้นเป็นวิธีการที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้จิตโดยทรงคุณค่าของตนไว้ตามคุณค่าของจิตขึ้มีอยู่กับตัวทุกคนนอกจากการฝึกอบรมยิตนี้แล้วก็มีทางที่จะทาให้จิตดีขึ้นเพียงความปรารถนาเพียงความบงเพงกงคำพูดต่างๆความต้องการนั้นไม่เกิดผลใดๆทั้งสิ้นนอกจากการลงมือกระทา ลงมือสืบผลกับโยมตนพนั้นจึงเป็นต้นเหตุอันดีที่จะยังผลที่พึงพอใจให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นงานทางด้านจิตตภาวนาจึงเป็นงานยากผิดกับงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวคนจึงไม่ชอบทํากันเพราะเป็นงานฝืนโลกฝืนสิ่งที่เราต้องการจิ่งใดที่เราไม่ต้องการสิ่งนั้นคือทํา ก็ต้องฝืนกันในเบื้องต้นต้องฝืนอย่างนั้นแต่เมื่อได้เห็นผลแล้วความฝืนนั้นก็ค่อยเบาไปเบาไปเด่นดับปรากฏเป็นความดึงดูดยืดความดึดดึงมาทำเข้ามาแทนที่ที น, นี้ความขยันหมั่นเพียรก็เติมขึ้นมาเองเพราะเห็นผลมาจากภายในตัวเองในขณะที่ทำเป็นลำดับไปอันนี้งานจะหนักเบาขนาดไหนนั้นไม่ย่อท้อมีแต่ ควาบึกบึนเรื่อยๆไปยิ่งเป็นงานที่ทำขั้นสูงด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นงานที่หาความหยุดยัง้งหาความพักผ่อนด่อนจิตใจไม่ค่อยได้เลยนอกจากเราจะร่างเอาไว้หรือบังคับไว้ให้พักให้หยุดไม่เช่นนั้นจิตจะมีความเพลิดเพลินต่องานของตนเพื่อผลที่ปื้ใจจะตาม ก, กดขึ้นมาเป็นลำดับตามหลักธรรมท่านกล่าวว่าอุทัศะ คนที่เผลอในงานและผลของงานของตนจนเกินไปนั้นท่านเรียกว่าอุทะจะในสองเลือเบื้องบนตะละได้ด้วยอรหัตตมัตน์ปัญญาอรหัตตมัตตคืออะไระละได้ด้วยมหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่าอรหัตตมัตตงานทางด้านจิตใจตามเราคาดเราหมายเอาไว้นั้น คิดกับความจริงอยู่มากคือเวลาทั้งภาวนาจิตใจของเรามีความสงบสุขไปโดยลาดับลำดับแล้วงานนั้นจะเบาลงไปเบาลงไปเราจะมีความกุกมากขึ้นโดยลาดับนี่เป็นความคาดไม้แต่พอเข้าไปถึงตัวจริงแล้วนั้นจิตมีความละเอียดท่าไรยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรมาก มีมีความเห็นคุณค่าในธรรมทั้งหลายคือความดุิค้นเป็นลำดับลาดับไปมากเาท่านั้นนั่นแลเป็นสิ่งให้จิตมีความตะเกียบตะกายมากขึ้นไม่ลดดอนผ่อนอคลายตัวเลยเมื่อเป็นเช่นั้นก็ชื่อชื่อว่างานหนักแต่หนักด้วยความสมัครใจหนักด้วยความพอใจหนักด้วยความดึงดูดจึงหนักก็เหมือนไม่หนักแม่ที่สุดทีวิตก็มอบได้เพื่อทําด่งนั้น ถ้าธรรมดาจะมอบ ไ, ไม่ได้แต่นี้เพราะคุณค่าแห่งธรรมที่ได้เห็นเป็นลำดับลำดับไปแล้วว่ามีความแทเสริงเลื่อนเลยขนาดไหนนั่นแลจึงทําให้จิตมีความคล่องขวายมากขึ้นโดยลำดับลาดับแล้วงานก็มีเวลาว่างจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจเลยปราบเรียบหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเปี่ยไนน้นแล้วไอ้เรื่องงานมันก็ปล่อยไปเองงานที่ยุ่งหยุกทั้งวันทั้งคืนนั้นเหมือนจะไม่มีเวลาว่างเลยนั้นมันว่างเองเพราะไม่มีงานจะทํางานแก้ไขที่เลสหรือถอดถอนที่เลสทุกประเภทได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีสินใดเหลืออยู่ที่จะให้แก้ไขหรือถอดถอนอีกต่อไปเลยแล้วจะหางานที่ไหนมาให้ทํา นี่เาเรียกว่าว่างงานแต่ว่างงานทางด้านธรรมานี้ว่างจริงๆไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกทำสิ้นเสร็จในจิจธุรนี้แล้วก็ต้องทำธุรานั้นแล้วไม่หําซ้ำก็ต้องมาซ้ำธุระอันเก่าี้อีกเพราะความจำเป็นบังคับให้ต้องทำไม่เลิกไม่แล้วยสักทีจนกระทั่งวันตายแต่งานแก้กิเลสอาศาวะนี้ถึงจะยุ่งยากลาบาก มากมายอย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดตกแล้วก็เจบจริงๆไม่ต้องมาแก้ไขชนะตัสดธรกันอีกต่อไปเลยท่านเรียกเ่าผู้ศิัทธาพรรมะใจอย่างเสร็จจิตแล้วในพรมจันทร์ได้อยู่จบแล้วการณะการตัถดถอนที่เด็กที่จะพิงละเพิ่งตัดถอนได้ตัดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสิ่งใเหลือจิตอื่นที่จะทําให้ยิ่ยงกว่านี้ต่อไปอีกนั่นเป็นอันไม่มีนะ่เรียว่าท่านว่างงานนะทิน ว่างจนกระทั่งถึงวันไปนี้ผ่านเสวนงานสำหรับธาตุขันคือความเป็นอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันกับปิดนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านก็ ย, ย่อมทำไปตามจริตนิสัยของท่านที่รู้ตัวเองว่าจะควรประกอบมากน้อยเชิงไรจึงจะเหมาะสมกันระหว่างสิ้งปิดกับขันจะอยู่ด้วยกันเด้วยความสะดวกสบายไม่ขัดข้องยื่งเหยงภายในธาตุขัน รู้เองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีภาษาวกก็ดีท่านจรงต้องทําความเพียรดีตลอดวันปัลลนิผ่านแต่การทําความเพียรในวาระหลังจากการกราดสรู้และบรรลุธรรมนี้แล้วเป็นงานเพื่อระหว่างขันธกจิตเรียกว่าทิฏฐธรรมวิหารธรรมเป็นความอยู่สบายในขณะที่มีชีวิตครองธาตครองขันธ์อยู่นี้เท่านั้นไม่ใช่จิตธุระ อันเป็นการผ่ถอนอยู่เลยเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละผิดกันที่ตรงนี้พอสิ้นเสร็จธาตุขันหมดกำลังที่จะเป็นไปได้แล้วท่านก็ปล่อยอปล่อยไปตามความจริงของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็ถอนตัวออกจากสิ่งสกคก อย่งนิเสียเรียกว่าอนุปาที่เสียแต่นิพานเป็นนิพันต์โดยสมบูรณ์เป็นนิพานต์ล้วนๆไม่มีธาตุขันต์ก่อควรอีกเลยและให้รับผิดชอบติดต่อไปเลยคําว่าสะอุปาที่เสียแต่นิพันต์นั้นจิตถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วแต่ยังต้องรับผิดชอบในธาตุขันต์ธาตุเต็งอยู่ ปูวายต่างๆน า, นานาเช่นเดียวกับโรคทั่วๆไปจนกระทั่งวันไปรินผ่านถึงจะได้ต่อยเรื่องความความวลหนวานี้เสียผิดกันที่ตรงนีน้เราทุกท่านได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นอำนาจวาสนาของเราที่เคยสร้างมาฉะนั้นขอให้ประคองวาสนาของเรานี้ไปด้วยความดีงามอย่าเละเท้อถอย สร้างไปจนสมบูรณควาที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี้นั้นเป็นของไม่ยากสําหรับเราผู้มีภูมิสมควรที่จะเป็นมนุษย์แต่เป็นของยากกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถจะเป็นได้อย่างเราเกิดได้อย่างเราเมื่ออานาจวัสนาพร้อมแล้วในความเป็นมนุษย์เราจะไม่เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่หายากมาก เกิดมาไม่พบพุทธศาสนาคำว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆไม่เคยปรากฏในโลกนี้เลยนั่นมีอยู่แยะเช่นระหว่างสุญญากัดพุดทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้ต่อองค์นั้นเป็นสุญญากัดไม่มีศาสนาเลยอย่างนี้ใครจะไปทราบได้ยังไงว่าบุญเตียงไงบาเปเตียงไงนรกสวรรค์เตียงไงไม่ทราบก็ทําตามอาเภอใจที่กิเลส บ, บับงคับบัญชาไปทำงา น, น เพราะไม่มีศาสนาข้ามสอนให้รู้เรื่องรู้ราวในความผิดกุดชั้วดีทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เฉยๆและขาดทุนประกอบสาวเลือประโยชน์ในภพชาตินึ่งน้แต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยพาถึงความเป็นมนุษย์ด้วยและได้ประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วย เร่องชื่อว่าเป็นผู้สร้างนิสัยอันดีงามไว้สำหรับตนและสร้างอุปนิสัยให้มีความแต่กล้างสามารถขึ้นภานาจิตใจด้วยความดีทั้งหลายและความดีนี้แลจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราไปสู่สถานที่ใดก็ตามเมื่อคนมีความดีภานาจิตใจแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่มีเงินติด ก, กระเป๋าไปเป็นจํานวนมากพอกับความต้องการ จะไปบ้านในเมืองใหนไปที่ไหนหสะดวกจะมาข้อ เ, เงินเป็นแก้วสารพัดนึกใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนตัวของเราเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราบุญกุศลก็เป็นแก้วสารพัน์นะเราจะให้ทานารับตาศีลภาวนาชนิดใดก็ตามรวมผลของการกระทํานั้นแล้วเรียกว่าบุญด้วยกันบุญนี้แหละเป็นแก้วสารพัดนึกเรานึกน้อมอย่างไรก็เป็นมาตามความ พิษความมึกของเราเพราะตอนได้สร้างไว้แล้วขช่นนั้นมีบุญนี้แลที่พระพุทธเจ้ า, าทั้งหลายท่านสอนให้ตัดทั้งหลายบำเพ็ญบาปท่านสอนให้ละคือสิ่งที่ทําความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเองท่านสอนให้ละให้ปล่อให้วางท่านสอนให้บําเพ็ญสิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นเครื่องค้ามชูอุดหนุนตนให้มีความสุขความจเจริญในภพนั้นๆไม่ว่าปัจจุบันและอนาคต จะได้อาศัยสิ่งอย่างนี้จึงสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีไม่เสียที้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างกุศล า, าธ ร, รรมมาไว้ภายในจิตใจของเราให้เพียงพอคําว่ากุศล า, าธร ร, ร ม, มหมายถึงไหรหมายถึงกุศลธรรมคือความฉล า, าดในการบำเพ็ญตัวเองอักุศล า, าธร ร, ร ม, มคือความโง่เขลาหาแต่เพียงแต่ไปมา เผาจิตใจและเผาตัวเองอยู่เรื่อยๆพุทลาธรรมมาคือความเฉลียวฉลาดพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่อยู่น่าไม่ดีและอบรมสิ่งที่ดีให้เกิดมีขึ้นในตนชื่อว่าเป็นผู้สร้างกุศลคือความฉลาดไม่รอบตัวแล้วจะอยู่จะเป็นจะตายก็ไม่เห็นมีปัญหาตายไปแล้วแต่นิมนต์พระมากุตลามาติกาหรือไม่นิมนต์มาก็ามีปัญหา เพราะเราได้สร้างเป็นคุลของเราแล้วเหมาะกับความต้องการของเราแล้วเราจําเป็นอะไรจะต้องให้ใครตามส่งตามเสียอีกเล่ออันนั้นจึงเป็นของไม่แน่นอนเหมือนเราสร้างในตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนกว่ามากมพยายามสร้างกุศลธรรมมาภาในใจิตใจให้ถึงพร้อมหลักศาสนาทั้งสอนไว้ว่าสัพปะ ป, ะ, ปะจจะอภุกระนงัง อันใดที่เป็นบาปเป็นกรรมอยากทำกูจะสูปส้ประซึมประดาเป็นสร้างกุศลคือความเฉลียวฉลาดในทางความดีให้ถึงพร้อมสะกิดตะประโยชน์ปั่นหนังทำจิตของตนให้มีความผ่องแร่จนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์โดยตามพุทธานาสาสังหนงนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันนี้ทั้งหมดครูปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามแบบนี้แต่ปฏิบัติอย่างอื่นผิดจากความจริง พราะทำนี้สอนไว้แล้วตามความจริงไม่มีผิดมีพลาดไปไหนเลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมแต่สัตวโลกที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามโดยถ่ายเยือกเท่านั้นไม่มีผู้ใดจะมีความรู้ความฉลาดสามารถมาขัดแย้งธรรมพระพุทธเจ้าและเปลี่ยนแปลงธรรมนี้ให้เป็นอย่างอื่นตาวตามชอบใจพระพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์กรที่จะสั่งสอนโลกได้กังตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมาะสมแก่โลก แล้วนำมาสั่งสอนเราก็เป็นพุทธบุตรกติของพระพุทธศาสนาพยายามดําเนินตามพระองค์ด้วยขอบปฏิบัติสมัยทุกวันนี้ก็โลกกําลังป่วนปั่นวุ่นวายเราอย่าเชื่อโลกวุ่นวายเราจะเป็นคนวุ่นวายไปตางหากว่าโลกที่ควรเชื่อได้โลกจะไม่วุ่นวายไม่รัศมีสายไม่ยุ่แย่ก่อควรกันดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่มันก้าว่าเราจะพูดให้มันเหมาะสมจริงก็กเยอะมันกําลังจะเป็นบ้ากันอยู่แล้วเวลานี้ย ความเรียนรู้มามากน้อยไม่ผ เ, เกิดประโยชน์อะไหาแต่เรื่องยุ่ยแย่เกาะกวนวุ่นวายกันไปหมดทุกหย่อนยากอย่างนี้แหละเรื่องโลกเราจะเชื่อมันได้ยังเรียนมาเท่าไรมันก็ไม่เป็นไปการการเรียนมันเป็นไปตามอําอนาจของเจ้าโลภะเจ้าชืา่อเหลือปัญหาอสุระนั่นแหละเป็นผู้นบงการเป็นเครื่องมือของสิ่งนี้ทั้งหมดอ น, นาความรู้ที่เย็นมาถึงไม่เกิดประโยชน์เราจรึงนำเอาความรู้ที่ เรียนวิปัามาให้เขาเป็นทางด้านธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนใรับความสงบร่มเย็นเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นความที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่ตายใจได้ยิ่งกว่าเชื่อคนมีกิเลสทั้งหลายคนในโลกมันมีเป็นคนมีกิเลสแสดงออกมาการใดก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ไม่เหมือนคนที่บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นสแสดงออกมาด้วยความถูกต้องแน่นยํา ผู้นับถือผู้ปฏิบัติก็คอยได้รับความสุกไปตามกำลังความสามารถของตนถึงนำไปปฏิบัติกรรมจับสิ่งที่เป็นภัยเจ็บปวดและแสด้ประสบพบเห็นความสุขความสบายการแสดงคำงขวัญที่ควรที่คอยยึติดกับตน